ก่อนคุณคิงเป็นทหารประจําการอยู่ที่ชายแดนจังหวัดตากนะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งที่บ้านอยู่แถวๆนั้นแกเห็นพวกของคุณคิงบ่อยๆเข้าก็เลยได้มานั่งคุยด้วยแกบอกว่าแกเคยเป็นทหารพรานอยู่ทางภาคอีสานค่ะแล้วแกก็ถามว่าอยู่ป่านในแถบนี้เนี่ยเคยเจอผีบ้างหรือเปล่าคุณคิงก็เลยตอบไปบอกว่าลุงมาพูดอะไรกลางค่ำกลางคืนแบบนี้พวกผมเข้าเวรกันอยู่แกก็เลยพูดขึ้นว่ามีเรื่องเล่าให้ฟัง คุณคิงแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจค่ะสมัยที่แกเป็นทหารพรานเมื่อก่อนนี้เนี่ยยังเป็นแค่การรับจ้างไม่มีสวัสดิการอะไรมากมายแล้วแกก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เกเรนะคะแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นบัตดี้เวลาออกตรวจพื้นที่หรือว่าลาดตระเวนตามแนวตะเข็บก็มักจะไปด้วยกันเสมอแต่ว่าจริงๆก็ไปด้วยกันหลายคนค่ะแต่ว่าแกจะสนิทกับเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษ เพื่อนคนนี้ชื่อลุงเทียนเวลาลาดตระเวนบางทีคุณลุงแกก็นําบางทีลุงเทียนแกก็นําแต่ส่วนมากลุงเทียนจะนํามากกว่านะคะเวลาประจําตามจุดต่างๆคุณลุงแกก็จะแอบเอาเหล้าเข้าไปให้หลังๆมาก็โดนคนที่มียศสูงกว่าจับแยกกันเพราะว่าทั้งสองคนนี้เมาด้วยกันบ่อยเกินค่ะจนเสียการเสียงานไม่ยอมเข้าเวรมีอยู่วันหนึ่งหลังจากโดนจับแยกแล้วคุณลุงกับลุงเทียนก็ต้องเข้าเวรคนละจุด แต่ด้วยความที่คุณลุงแกอยากกินเหล้าแกก็นึกถึงลุงเทียนตลอดเวลาว่าเวลานี้ลุงเทียนก็จะเป็นยังไงบ้างจะอยากกินเหล้าเหมือนกันไหมระหว่างที่แกคิดหูแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งผ่านไปแถวๆข้างหน้านะคะตรงจุดที่แกเข้าเวรอยู่แกก็หยุดนิ่งแป๊บหนึ่งฟังเสียงต่างๆสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าอีกครั้งเสียงดังตุบๆๆๆอย่างนี้คือแบบเป็นเสียงวิ่งนะคะแ ก, กก็รีบเปิดสปอตไลท์ส่องเข้าไปในความมืดหน้าป้อม แกก็เห็นเงาคนแวบๆแบบลักษณะคล้ายกับลุงเทียนค่ะแกก็คิดว่าลุงเทียนคงจะแอบเอาเล่ามาให้ก็เลยตะโกนไปบอกเฮ้ย hey, เอามาดิรออยู่เนี่ยกําลังอยากเลยมือสั่นหมดแล้วแต่ว่าเงานั้นยังคงวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาด้วยความเร็วค่ะคุณลุงแกก็คิดในใจเอ้ลุงเทียนเป็นอะไรหลอกให้อยากเฉยๆแล้วก็ไม่เอามาให้ พอในคืนที่สองก็เห็นลักษณะเงาคนวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาอีกเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่ก็อยากเล่าก็เลยตะโกนด่าคำหยาบออกไปประมาณว่าถ้าไม่เอามาให้ก็ไม่ต้องมาเล่นแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ก็มีเพียงเสียงหัวเราะเย็นๆดังขึ้นในความมืดแถวหน้าป้อมคุณลุงก็เก็บความหงุดหงิดนี้ไว้ในใจคิดว่าเพื่อนคนนี้มันยังไงจนคืนที่3ค่ะก็ยังเห็นลุงเทียนวิ่งผ่านไปผ่านมาที่หน้าป้อมในความมืด ที่คุณลุงแน่ใจว่าเป็นลุงเทียนก็เพราะว่าตอนฉายไฟเข้าไปในความมืดหน้าป้อมแสงไฟมันไปนกระทบเข้ากับร่างผู้ชายคนนึงซึ่งก็คือลุงเทียนแล้วลุงเทียนก็รีบวิ่งหลบเข้าไปในป่าข้างทางเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งคุณลุงก็เลยตะโกนออกไปบอกถ้าเองจะมาทําแบบนี้นะข้าขอตัดเพื่อนกับเองเลยนะไอ้เทียนสักพักลุงเทียนก็เดินโผล่ออกมาจากความมืดแล้วก็วางถุงเหล้าลงข้างๆคุณลุงแล้วพูดบอกเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะต้องโกรธ ด้วยความที่ลุงอยากเล่าจนเต็มประดาก็เลยรีบคว้าถุงเล่าขึ้นมากระดกจนหมดถุงพอเล่าไหลลงคอก็เริ่มมีอารมณ์ค่ะแบบอารมณ์ดีขึ้นน่ยนะคะก็เลยได้นั่งคุยกับลุงเทียนแต่ว่าคุณลุงจับสังเกตได้อย่างหนึ่งคือลุงเทียนจะพูดพึมพำเบาๆอยู่คนเดียวทุกๆห้านาทีว่ายังไม่ไปยังไม่ไปจนคุณลุงถามออกไปว่าเป็นอะไรวะลุงเทียนก็ตอบเออเออไม่มีอะไรหรอกกินกินไปเหอะเดี๋ยวค่ากลับก่อนนะลุงเทียนก็เลยหันหลังกลับ เดินกลับเข้าไปในความมืดคุณลุงก็พูดตามหลังว่าเอ้าไอน้นี่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเวนแล้วเจอกันแต่คุณลุงก็ยังคงไม่เคยาหายความสงสัยนะคะเพราะว่าจุดที่ลุงเทียนเข้าเวนอยู่เนี่ยมันห่างจากจุดที่คุณลุงอยู่หลายกิโลเมตรลุงเทียนเดินเอาเล่ามาให้ได้ยังไงแล้วคืนก่อนหน้านี้มาวิ่งเล่นแถวๆหน้าป้อมทาไมหลังจากออกเวนคุณลุงก็เข้าไปอาบน้า ด้วยความที่อยากดื่มเหล้านะคะแกก็คิดว่าเอะตอนนี้ลุงเทียนคงจะนั่งรอดื่มเหล้าอยู่ตรงที่ประจําแถวแถวถังเก็บน้ําก็เลยชวนเพื่อนอีกสองคนไปด้วยพอไปถึงก็เจอลุงเทียนนั่งอยู่คนเดียวคุณลุงและเพื่อนอีกสองคนก็เข้าไปนั่งดื่มด้วยในระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่คุณลุงกับเพื่อนก็จับสังเกตได้นะคะว่าลุงเทียนแกจะนั่งนิ่งไม่ขยับตัวเอามือประคองหัวไว้ตลอดเวลาปากก็พึมพำคนเดียวว่าเบาวะ่ะเบาวเบาว้ยนานๆที ก็จะหลุดพึมพำออกมาว่ายังไม่ไปยังไม่ไปเน้นๆบ้างเบาๆบ้างนะคะคุณลุงก็ถามออกไปว่าพูดอะไรของเองวะลุงเทียนก็มองคุณลุงทางหางตาปากก็พึมพำเบาๆบอกยังไม่ไปยังไม่ไปแล้วลุงเทียนก็พูดขึ้นมาว่าเองจำที่ข้าเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้เองฟังได้ไหมว่าข้าเห็นคนเนี่ตอกไม้มาจากต้นไม้ คือคุณลุงเทียนเคยเล่าให้คุณลุงฟังว่าเจอคนปีนอยู่บนต้นไม้แล้วก็ตอกไม้กระดานตอกลงมาเรื่อยๆวันละสองแผ่นสแผ่นนะคะลุงเทียนแกพูดต่อแต่และคนที่ตอกอ่ะข้าจําได้ว่าเป็นเพื่อนทหารพลานที่ตายไปแล้วคุณลุงก็เลยบอกสงสัยเองจะเมาจนเพี้ยนลุงเทียนก็เลยพูดต่อบอกมันตอกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะเว้ยคุณลุงก็เลยถามออกไปบอกทําไมคราวนี้เองเห็นอีกแล้วเหรอลุงเทียนแกก็ยิ้มที่มุมปากบางๆแล้วก็พูดว่า คราวนี้ไม่ได้เห็นอย่างเดียวนะเว้ยเองรักข้าไหมคุณลุงก็เลยตอบเอารักสิเพื่อนกันไม่รักกันได้ไงแต่3วันที่ผ่านมาเนี่ยเองเล่นซะข้โกรธเลยนะลุงเทียนก็พูดเบาๆบอกว่าอืมไม่มีอะไรหรอกแล้วก็พึมพำบอกยังไม่ไปยังไม่ไปแล้วก็เอามือลูบๆคลาๆแถวใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะพร้อมกับพึมพำว่าเบาเว้ยมันเบาเว้ยคุณลุงก็เริ่มลำคาลแล้วค่ะทีนี้ก็เลยลุกขึ้นแล้วพูดเองเป็นอะไรนักหนาวะ อย่าคุยกันเลยถ้าคุยแล้วเดี๋ยววงจะแตกแล้วก็หันหลังเดินออกไปเพื่อนที่ตามมาอีก2คนก็รู้สึกรำคาญลุงเทียนเหมือนกันก็เลยลุกขึ้นเดินตามคุณลุงไปลุงเทียนก็พูดตามหลังว่าเอ็งจะไปแล้วเหรอถ้าเอ็งไปงั้นข้าไปบ้างนะคุณลุงก็หันมาพูดเอ็งจะไปไหนเอ็งก็ไปเหอะข้าเห็นเอ็งแล้วพูดอยู่นานและยังไม่ไปยังไม่ไปเนี่ยคุณลุงก็หันกลับมาแล้วก็เดินออกไปลุงเทียนก็พูดเสียงเย็นๆว่างั้นข้าไปจริงๆแล้วนะ ไอ้พวกนั้นมันตอกกระดานมารับค่าแล้วแต่ค่ายังไม่ไปค่าแค่รอเองเพื่อนคุณลุงกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยหันกลับมามองลุงเทียนด้วยความสงสัยแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นคือเบ้าตาข้างซ้ายหายไปจนทะลุไปข้างหลังที่คอข้างซ้ายเป็นรอยแยกเห็นเส้นเอ็นเงาวับห้อยลงมาเป็นริ้วๆเลยเลือดทะลักลงมาอาบเสื้อสีเขียวจนเห็นเป็นสีดาเข้ม คุณลุงมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าค่ะทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาถามคุณลุงว่าเป็นอะไรคุณลุงตอบเจอผีไอ้เทียนมันเป็นผีทหารนายหนึ่งก็เลยพูดอ้าวไอ้นี่ไม่รู้เหรอไอ้เทียนมันโดนยิงตายตั้งแต่วันที่พวกเองแยกกันเข้าเวรแล้วละ่ะคุณลุงก็เลยนึกย้อนหลังกลับไปนะคะีครคุณผู้ฟังเรื่องที่ลุงเทียนชอบเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆ คือทุกครั้งที่ลุงเทียนนั่งอยู่ในหลุมตอนเข้าเวรในช่วงที่กําลังเมาลุงเทียนมักจะเจอเพื่อนที่ตายไปแล้วตอกไม้กระดานอยู่บนต้นไม้ใกล้เข้ามาหาแกเรื่อยๆคุณลุงก็เลยขอลาออกแต่ว่าผู้พันบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าอยู่มาหลายปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยคุณลุงก็เลยจําเป็นต้องอยู่ต่อค่ะตกเวลากลางคืนคุณลุงก็จะไม่อยู่ที่พักของตัวเองเพราะว่าเวลาเมาคุณลุงกับลุงเทียนจะนอนในที่พักด้วยกันบ่อยๆ จนเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คุณลุงก็เริ่มลืมเรื่องนี้ไปแต่ว่ามีอยู่คืนนึงแกปวดท้องหนักก็เลยรีบเข้าไปในห้องน้ำลักษณะห้องน้ำของทหารพลานคือขุดหลุมลึกลงไปแล้วก็เอาไม้กระดานปิดใช้ผ้าขึงสี่ด้านในขณะที่กำลังนั่งทำธุระอยู่นะคะคุณลุงก็ได้ยินเสียงลุงเทียนพูดเบาๆมาจากข้างหลังว่าข้าจะไปจะมาอยู่อย่างนี้แหละด้วยความตกใจคุณลุงก็เลยรีบหันไปมอง ปรากฏว่าเห็นลุงเทียนนั่งยองๆคอพับอยู่ข้างหลังเลือดสีดำเข้มไหลทะลักออกมาจากรูโหว่ที่ตาซ้ายตั้งแต่วันนั้นมาค่ะคุณลุงก็เลยขอลาออกทันทีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณคิงเด e s ช็อ k ด้วยนะคะที่เล่าเรื่องผีเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะ ว่ากันด้วยเรื่องสยองขวัญที่หลายคนอยากรู้ณนะตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเรือนหอคนตายที่เป็นเรื่องตอนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องตีสานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและก็ทางครอบครัวทําใจไม่ได้ก็เลยอยากเก็บศพเอาไว้ค่ะสําหรับพล็อตเรื่องนี้ใครหลายๆคนคงเคยได้ยินมานักต่อนักแล้วบางก็บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองเอกบางก็บอกว่าอยู่ที่พุทธมนตรสายสองบางก็บอกว่าอยู่แถวสุวินทวงศ์บางก็บอกว่าอยู่แถวน้องจอก เอาเป็นว่าคงจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งเลยทีเดียวแล้วแต่ละที่เนี่ยคงสยองไม่แพ้กันนะคะส่วนวันนี้บีขอนำประสบการณ์จากคุณมาร์คค่ะเป็นเรื่องจริงที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านรายการ t ด e s ช็อ k เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยคุณมาร์คได้เปิดเผยถึงเรื่องราวตรงหรือว่าประสบการณ์ตรงที่เจอแบบจังๆให้ฟังค่ะว่า ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆมารับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพุทธมณฑลซึ่งตัวเองก็รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยังบ้านหลังรูอีกซอยหนึ่งเป็นประจํารับส่งได้สักพักหนึ่งตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่าสนใจเป็นลูกค้าประจํำไหมจะได้มารับมาส่งให้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ตกลงนะคะสําหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ร่มรื่นมากค่ะมีต้นไม้เต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านนะคะก็ให้ตนมารับมาส่งทุกวันพระ ซึ่งตนก็ไม่เคยถามถ่ายถึงเหตุผลรู้เพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะว่าเขาไปรับไปส่งป้าแกทีไรก็จะเห็นชายหญิงคู่นี้เนี่ยมองออกมาทางหน้าต่างเสมอต่อมาเมื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ถามถ่ายกันตามปกติว่าแม่บ้านลูกค้าประจำของตนเนี่ยตนไปส่งเขาที่ไหนบ้าง เมื่อบอกว่าไปส่งที่บ้านหรูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้นะเขาเก็บศพไว้บนบ้านส่วนตนก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ปกติแถมยังมีแม่บ้านเข้าออกไปทำความสะอาดอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแม่บ้านเนี่ยวานให้ตนช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างออกมาหน่อยขอเวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็เลยเข้าไปช่วย พอเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วแม่บ้านก็บอกให้ตัวเองนี่ช่วยยกของขึ้นชั้น2ซึ่งเมื่อยกเสร็จแม่บ้านก็ลงไปหยิบของโดยบอกกับตัวเองว่ารออยู่ข้างบนแปบน๊บนึงนะแล้วก็อย่าเปิดห้องห้องนี้เพราะว่าเป็นห้องของเจ้านายพอแม่บ้านลงไปปุ๊บค่ะทําที่เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าบ้านนี้เก็บศพไว้ในบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัวปุ๊บเลยนะคะตนเองก็เลยเดินไปยังห้องห้องนั้น เพราะว่าอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเพียงแค่บ้านคนธรรมดาแต่พอตัวเองกำลังจะเดินไปก็เหลือบเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องโถงข้างๆแล้วก็หายเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตัวเองเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นเดินไปแล้วก็ตรงไปยังห้องที่แม่บ้านห้ามทันที เมื่อตัวเองบิดลูกบิดดังแกรกเนี่ยะแล้วก็ผลักประตูไม้เข้าไปก็พบว่าห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติค่ะแต่เมื่อตัวเองกำลังปิดประตูอยู่ๆหางตาซ้ายก็เหลือบไปเจอโลงแก้วข้างในเนี่ยบรรจุร่างไร้ลมหายใจของชายหญิงที่ตัวเองเห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างดังกล่าวซึ่งศพอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในโลงนั้น ตัวเองนี่ตกใจมากค่ะแต่ก็โวยวายไม่ได้เพราะว่าป้าแม่บ้านเตือนแล้วว่าห้ามเปิดก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกแล้วก็กลัวขั้นสุดขาของตัวเองนั้นอยู่ๆก็สั่นผับๆยืนไม่ไหวแทบจะร่วงตกบันไดเลยทีเดียวแล้วพอตัวเองหันไปที่ประตูห้องก็เห็นผู้หญิงผู้ชายดังกล่าวเนี่ยมายืนหน้าห้องในสภาพตัวซีดๆก็เลยรีบก้าวลงไปอีกขั้นหนึ่งพอหันมาอีกครั้งก็เจอ2คนนั้นยืนอยู่ตรงทางลงบันได คุณมาร์กเล่าต่อไปว่าคราวนี้ตัวเองก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดทันทีแล้วก็สวนกันกันกบป้าแม่บ้านอย่างไวแต่แกก็จับแขนตัวเองเอาไว้ทันแล้วก็ดุตัวเองว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดเจอศพแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะซึ่งคุณมาก็พยักหน้าแต่ก็บอกว่าป้าไปคุยกันนอกบ้านดีกว่าตนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเมื่อออกมานอกบ้าน ก็เลยบอกป้าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจอแต่ศพนะแต่ว่าเจอผีด้วยเป็นผีผู้หญิงผู้ชายที่ตัวเองเคยเห็นตอนมาส่งป้าทุกครั้งแล้วก็ถามป้าต่อว่าทําไมเขาถึงเก็บศพไว้ในบ้านทําไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนาป้าแม่บ้านก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะว่าผัวเมียคู่นี้แต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮันนีมูนกันแต่ว่าขากลับ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งญาติญาติของทั้งคู่เนี่ยทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ยังฝันว่าผู้ชายเนี่ยไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านหลังนี้ถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดศพมีแม่บ้านผลัดเปลี่ยนมาทําความสะอาดแทบทุกวันส่วนตัวเองมีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันพระเมื่อคุณมาร์กถามว่าค่าจ้างของป้าแม่บ้านได้เท่าไหร่ป้าแกก็ตอบบอกไม่กี่ตั้งหรอกพระป้าเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านหลังนี้และมาช่วยเพราะเจ้านายเคยมีบุญคุณกับป้าเท่านั้น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 เห็นน้องแตงกวา น, นอนบนโซฟาบนตักผู้หญิงคนนึงผมสอยสั้นมีแผลเป็นยาววนใบหน้าค่ะซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วละ่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณแก้วนี่นอนอยู่ข้างโซฟาข้างเท้าผู้หญิงคนนั้นก็เลยเรียกคุณแก้วดียกยังไงก็ไม่ตื่น